วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2564เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้ราศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทเข้ามาวันเพื่อมาเรียน วิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ศัทธาญาตโยมหากันตามปกตินั่นก็คือความสุขทางตาหูจมูกปิ้นกายเรียกว่าการมั่สุขแต่การมัสุขนี้เป็นความสุขที่ไม่ เพียงแท้แน่นอนและต้องอาศัยสิ่งต่างๆหลายอย่างด้วยกันถึงจะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาได้คือหนึ่งต้องอาศัยมีรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ถูก อ, อกถูกใจอสองต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายที่สมบูรณ์ คือร่างกายต้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการไม่แก่ชราเพราะว่าถ้าร่างกายนี้ไม่สมประกอบการจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะก็จะเป็นไปได้ยากและการที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะที่ ถูก อ, อกถูกใจมาเสพก็ต้องอาศัยเงินทองต้องมีเงินทองซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผุดพะต่างๆที่ชอบที่ถูก อ, อกถูกใจดังนั้นถ้าขาดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้าขาดเงินทอง ก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกิดลดผดทะพะได้<ม>ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยทางทางโลกคือเช่นมีโรคระบาด<ม>ก็ต้องยับยั้งการออกไปหารูปเสียงกิดลดผดทะพะมาเสดก็จำเป็นที่จะต้องอยู่บ้านกันออกไปข้างนอก ไม่ได้ไม่ปลอดภัยหรือถ้าไปก็ไปได้แต่เฉพาะสถานที่ที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพเช่นไปซื้ออาหารไปซื้อยาแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังไม่ให้ไปติดเชื้อโรค ก, กลับมาการท่องเที่ยวเช่นธุรกิจการท่องเที่ยว น, นี้ก็เลยซบเซากันไปทั่วโลกเลย เพราะว่าการท่องเที่ยวก็คือการไปเสพรูปเสียงกลิน่นรสผลทพะก็ต้องมีการใกล้ชิดกับคนต่างๆซึ่งคนก็เป็นพาหะของเชื้อโรคก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางตาห ง, ง, งจมูกจิงกายได้ถ้าไม่เคยเข้าวัดไม่เคย เรียนรู้วิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะก็จะอยู่บ้านด้วยความหุดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุขแต่ผู้ที่เคยเข้าวัดผู้ที่ได้มาเรียนรู้วิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบที่ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะ สามารถหาความสุขได้ภายในบ้านของตนเองหรือไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามถ้าเป็นสถานที่ที่สงบที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมารบกวนใจก็สามารถหาความสุขได้และเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะ เป็นความสุขที่ละเอียดกว่าที่มีน้ำหนักมากกว่าที่มีความยั่งยืนกว่าและเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าเพราะว่าไม่มีตัวแปรมากความสุขที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเข้ามาหากันนี้เป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิก่นรสผธิตัไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกขึ้นกาย อาศัยรรมที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาภายในใจเท่านั้นทำรรที่จะสร้างความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพทธะก็คือสติสตินี้เป็นธรรมที่จะมาควบคุมบังคับจิตใจให้เข้าสู่ความสงบ พอจิตใจสงบความสุขอันมหัศจรรย์ใจก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนนี้มีความสุขที่วิเศษที่ไม่ต้องเสียเงินทองไม่ต้องไปดิ้นลนไปสร้างอะไรต่างๆมากมายกายกองสร้างบ้านใหญ่โตสร้างสถานที่ท่องเที่ยว สร้างสวนสนุกสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ได้มีความสุขจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ความสุขจากสิ่งเหล่านี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่จะได้สัมผัสกับความสงบภายในใจนี้เป็นคนละโลกเลยป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าลดแห่งธรรมชนะลถทั้งปวง รถแห่งธรรมก็คือรถของความสงบนี่เองชนะรถของรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ พ, พะและมีความมั่นคงกว่าและก็ยั่งยืนกว่าเพราะว่าถ้าสามารถปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดได้ก็ได้จะได้รถแห่งธรรมที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดไปจากจิตจากใจ จะอยู่คู่กับใจไปตลอดอนันตการเช่นความสุขของพระพุทธเจ้าแลนะความสุขของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย<ม>ท่านได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นสูงสุดคือขั้นอาหารหัตผลได้<ม>บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กัน<ม>พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอาหารหันต<ม>์<ม>เราเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนสาวกนี้เราเรียกว่าพระอาหารหันตดสาวก ค, ความแตกต่างของพระอาหารหันต์สองรูปแบบนี้อยู่ที่การได้เข้าถึงอรหัตผลด้วยตนเองหรือด้วยการสอนสั่งสอนของผู้อื่นอย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่มีคนรู้คนคนสอนให้เข้าถึงอรหัตผลนี้ได้ พระพุทธเจ้าก็เลยต้องค้นคว้าศึกษาปฏิบัติไปตามลำพังของพระ อ, องค์เองจนในที่สุดก็ได้เข้าถึงอรหัตตผลได้เข้าถึงความสุขอันสูงสุดที่เรียกว่ามลมสุขนิบานังปรมังสุขขังท่านจึงเรียกตนว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ได้เข้าถึงอาาร h a t h a ด้วยตนเองส่วนผู้อื่นนี้จะตามลําพังจะไม่สามารถเข้าถึงอาาร h a t h a ได้ด้วยตนเองเช่นพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่นี้รับประกรันได้เลยว่าไม่มีใครจะสามารถเข้าสู่อาาร h a t h a ได้ด้วยตนเองจะต้องรอให้มีพระอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตัดสรุ แล้วก็มาเผยแผ่วิธีการเข้าสู่阿拉ตผลเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าสู่หัตผลเข้าสู่นิบบานางังปรละมังสุขขังได้เนี่ย <Yeah. S 1> ผู้ที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนในที่สุดก็ได้บรรลุถึงหัตผลท่านก็ได้เป็นพระอราหันต์เหมือนกัน แต่ท่านจะไม่เรียกตนเองว่าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่า<อ>นไม่ได้เข้าถึงอรหันตผลได้ด้วยตนเองด้วยความสามารถของตนเองท่านเข้าได้เพราะท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นผู้สอนวิธีเข้าสู่อรหันตผลท<อ><อ>่านจึงเรียกตนเองว่าอารหันตสาวกสาวกก็แปลว่าผู้ศึกษาผู้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านั่นเอง เราจึงมีพระอาหารหันต์สองชนิดด้วยกันพระอาหารหันต์ตสรรมมาสามพุทธเจ้าผู้เข้าถึงอาหารหัตผลได้ด้วยตนเองแล้วก็อาหารหันตาสาวกนี้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคําสอนแล้วจึงสามารถจะรู้วิธีที่จะเข้าถึงอาหารหัตผลได้นี่คือความสุข ภายในใจของพวกเรารอพวกเราอยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของเราเองพวกเรามีขุมทรัพย์อันวิเศษอยู่ในใจของเราแต่เราไม่ขุดคน้นค้นหากันเพราะเราถูกโมหะอาวิชชาคือความมืดบอดความไม่รู้ความจริงหลอกให้เราคิดว่าความสุขอันยิ่งใหญ่อยู่ที่โล ก, กธรรมทั้งหลายอยู่ที่ลาบยศสารเสริญ อยู่ที่รูปเสียงกลิ <Yeah. S 1> ่นรสโผฏฐะเพวาเราจึงแทนที่จะเข้าไปข้างในใจเพื่อขุดเอาทรัพย์อันประเสริฐนี้เรากลับออกไปนอกใจเรา <Yeah. S 1> เราออกจากใจเราไปสู่ร่างกาย <Yeah. S 1> ใจเราส่งกระแสวิญญาณ <Yeah. S 1> ทั้งห้าคือวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกาย มาเกาะที่ร่างกายมาเกาะที่ตาหูจมูกขิ้นกายเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผดท พ, พะที่เข้ามาทางตาหูจมูกขิ้นกายแล้วเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดท พ, พะนั้นเป็นอารมณ์ให้ความสุขกับตนแต่พวกเราก็รู้กันว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดท พ, พะนี้มันเป็นความสุขแบบไม่ยั่งยืน เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาปั๊บเดี๋ยวมันก็จางหายไปได้ดูได้ยินได้ฟังอะไรก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่รูปเสียงกลิ่นรสนั้นมันมันจะไม่ได้ยินได้ฟังตลอดเวลาไม่ได้เห็นตลอดเวลาพอไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนั้นก็หายไป ปล่อยให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหมือนเดิม mm hmm. ใจเรานี้ถ้าไม่มีรูกเสียงกลิ่นรถให้เสียงนี้จะรู้สึกเหงาจะรู้สึกว้าเว mm hmm. จะรู้สึหกหนดเหยดท่านคงจะสัมผัสได้ในช่วงที่ต้องถูกกักตัวอยู่ในบ้าน mm hmm. ไม่เหมือนกับปีก่อนๆที่สามารถวางแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนได้จะไปหาความสุขจากสถานที่ไหนได้ แต่พอมีโรกระบาดนี้ก็ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ก็ต้องอยู่ในบ้านพออยู่ในบ้านก็ไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายขึ้นมานี่แหละคือทำนี่คือรถของรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอย่างนี้เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นความสุข ชั่วประเดี๋ยวประดาเป็นความสุขที่ต้องคอยเติมกันอยู่เรื่อยๆเราจึงต้องออกไปหารู้เสียงกินลดกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปดูภาพยนตร์เดี๋ยวก็ไปดูละครเดี๋ยวก็ไปฟังคอนเสิร์ต<ๆ>เดี๋ยวก็ไปรับประทานอาหาร<ๆ>ไปหาอาหารชนิดต่างๆมารับประทานมาดื่มกัน<ๆ>เพื่อที่จะ เติมความสุขให้กับใจแต่ความสุขแบบนี้เติมเข้าไปเท่าไหร่มันก็จะจางหายไปหมดไม่เหมือนกับความสุขที่เราจะได้จากใจของเราเองเพราะมันเป็นความสุขที่อยู่ในใจอยู่แล้วเพียงแต่เราตอนนี้ไม่เปิดโอกาสให้ความสุขั น, นี้โผล่ ข, ขึ้นมาเังานี้เราทุกคนนี่มีถ้าจะพูดว่ามีขุมทรัพย์ อันล้าค่าก็จะว่าได้<ม>นิพานานี้มรรคผลนิพานนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของพวกเราทุกคน<ม>อยู่ในใจของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของพระอาหารหันตสาวก<ม>ใครอยากจะได้ขุมทรัพย์วันนี้ไม่ต้องไปที่ไหน<ม>ให้กลับเข้าไปในใจท่านเองแล้วก็ขุดเอาทรัพย์สมบัติอันเลิศอันประเสริฐ เอาความสุขอันเลิศอันประเสริญนี้ให้โผล่ขึ้นมาเพื่อให้ความสุขกับเราอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะมันเป็นของคู่กับใจใจไม่มีวันสิ้นสุดใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายฉันใดความสุขที่อยู่ในใจก็ไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขที่เราหาผ่านทางร่างกายกัน มันจะเสื่อมไปตามวัยของร่างกายพอร่างกายแก่ชราลงไปความสามารถในการหาความสุขก็จะน้อยลงไปตามลําดับพอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ก็แทบจะหาไม่ได้เลยแลย้วยามเวลาใกล้ตายหรือตายไปก็หมดโอกาสที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายได้อันนี้คือ การเปรียบเทียบให้ท่านทั้งหลายได้เห็นถึงความแตกต่างของความสุขสองรูปแบบนี้ว่าเป็นอย่างไรอย่างไหนจะดีกว่ากัน <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยแบบ <Yeah. S 1> เป็นผู้ที่เห็นความแตกต่างของความสุขสองรูปแบบนี้ในครั้งที่ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ <Yeah. S 1> ตอนที่ท่านเป็นเด็กท่านมี ประสบการณ์อยู่วันหนึ่งท่านนั่งอยู่ภายใต้โคนไม้ตามลำพังวันนั้นพวกบ ร, บริษัทบริวารที่คอยรับใช้ท่านดูแลท่านต้องไปทำภารกิจอย่างอื่งชั่วคราวก็ลวเลยปล่อยให้ท่านประทับอยู่ตามร่มไม้โคนไม้ตามลาพังพอท่านไม่มีใครมาห้อมร้อมมา มาลบกวนใจของท่านใจของท่านที่เคยมีความสงบมาจากอดีตชาติ<ม>ก็เข้าสู่ความสงบโดยที่ไม่ต้องบังคับหนึ่งไม่ต้องนั่งพุโทโธไม่ต้องนั่งดูลมหายใจเข้าออกสำหรับใจผู้ที่เคยมีสมาธิอยู่แล้ว<ม>เพียงแต่ขอให้มีสถานที่ที่วิเวกสงบสงัดเท่านั้นเองที่เรียกว่ากายวิเวก พอมีกายวิเวกแล้วจิตจะวิเวกขึ้นมา ท, าทันทีโดยที่ไม่ต้องไปบังคับมันเลยสำหรับผู้ที่เคยบําเพ็ญสมาธิมาในอดีตชาติเนี่ยพออยู่ตามลาพังอยู่คนเดียวไม่มีอะไรมาลบกวนเข้ามาทางตาหูจมูกทิ้งกายเท่านั้นจิตมันก็จะนิ่งสงบของมันโดยทันทีเนี่ยพอได้สัมผัสกับความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบ เป็นครั้งแรกในขณะที่ถูกปล่อยให้อยู่ประทับอยู่ตามนำพั ง, งตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่ท่าที่ทราบประวัติแต่มันเป็นความสุขที่ประทับใจท่านอยู่มากแล้วก็ต่อมาเมื่อท่านโตขึ้นท่านก็หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นสิ่งที่พระราชบิดาคอยฟ้อนให้ตลอดเวลา พระราชบิดานีอยากจะให้เจ้าชายสิทธัตถะมีแต่ความสุขไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นความทุกข์เพราะกลัวว่าท่านจะหนีไปบวชจะออกบวชเพราะว่ามีการทํานายอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ท่านมาตอนที่ท่านประสูทธ์ว่ามีโหราจาร์หลายรูปด้วยกันทํานายว่ามีคติเป็นสอง มีทางไปอยู่สองทางคือถ้าอยู่ในทางโลกก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพัทเนี่ยแต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมศาสดาเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าดังนั้นเมื่อพระราชบิพนธ์เจ้าชายสุดโทธนะได้ยินอนาคตการทํานายอนาคตก็เลยรู้ว่าการที่คนจะออกบวชกันนี้ส่วนใหญ่มักจะเห็นความทุกข์กัน เมื่อเห็นความทุกข์ก็จะไม่อยากจะอยู่เพราะอยู่ไปก็จะก็จะต้องเจอความทุกข์ mm. ก็เลยจะออกบวชเพื่อไปหาวิธีดวดพ้นจากความทุกข์กันท่านก็เลยพยายามห้อมล้อมเจ้าชายศิท ธ, ธะด้วยสิ่งที่สวยที่งามด้วยสิ่งที่ให้แต่ความสุขเช่ mm. นทรงสร้างปราราทให้ถึงสมสามหลังด้วยกันเรียกว่าปราสาทสามฤดูด เพื่อที่จะได้เปลี่ยนตามฤดูกาลถ้าปราสาทที่นี่มันร้อนอยู่ไม่ได้ก็ย้ายไปอยู่ปราสาทที่มันเย็นถ้าปราสาทที่นี่มันเปียกฝนตกก็ย้ายไปอยู่ในปราสาทที่แห้ง<ๆ>เพื่อที่จะได้มีความสุขตลอดอตลอดปี<ๆ>แล้วผู้คนที่เข้าไปรับใช้ไปไป ตอบสนองให้ความสุขกับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ต้องเป็นคนที่สวยงามรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาสวยงามคนแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนตายนี้ห้ามเข้าไปในวังโดยเด็ดขาดเ่เพราะท่านกลัวว่าเดี๋ยวพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเข้าแล้วจะทำให้ท่านเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองแต่ขนาด พยายามป้องกันอย่างไรก็ก็ยังไม่สามารถที่จะห้ามใจของเจ้าชายศิทธทะที่อยากรู้อยากเห็นเหมือนคนทั่วไปอย่างพวกเราพวกเรานี่ถ้าให้อยู่ที่ไหนที่เดียวนานๆเข้าก็จะเบื่อจะให้วิเศษขนาดไหนต่อให้ไปอยู่ในวังกเ็เถอะหรือให้ไปอยู่โรงแรมห้าดาวสักปีสองปีไม่ให้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากจะออกไปดูข้างนอกว่ามีอะไรบ้าง เจ้าใจสิทธิ์ท่าก็เหมือนกันพอถูกกักขังอยู่แต่ในวังแต่เป็นวังที่เป็นกรงทองเป็นวังที่มีความสมบูรณ์ด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทุกชนิดรูปเสียงกลิ่นรสทุกชนิดอาหารทุกชนิดเครื่องดื่มทุกชนิดการบันเทิงทุกชนิดมีพร้อมหมดอยู่ในวังแต่ ก็ยังเหมือนกับว่าถูกกักขังอยู่ในคุกเพราะห้ามออกแค่ห้ามออกไปข้างนอกวงังก็เลยอยากจะออกไปก็เลยแอบออกไปเพื่อที่จะได้ไปดูว่าข้างนอกวังนี้เป็นอย่างไรพอไปอยู่ออกไปนอกวังก็เลยเห็นสภาพของความเป็นจริงของโลกของชีวิตว่าโลกนี้มีทั้งคนหนุ่มคนสาวแล้วก็มีทั้งคนแก่มีคนที่แข็งแรง แล้ก็มีคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีทั้งคนเป็นแนละมีทั้งคนตาย mm hmm. เมื่อเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าแล้วก็ทราบว่าต่อไปร่างกายของพระ อ, องค์เอง mm hmm. ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันร่างกายของพระ อ, องค์ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย mm hmm. ความสุขที่เคยได้จากการเสพรูปเสียงมกิจลดต่างๆนี้ mm hmm. ก็เลยทำให้พระ อ, องค์นี้ mm hmm. หายไปหมดมีแต่ความทุกข์ความกังวลต่ออนาคตของตนที่จะตามมาเพอะทรงรู้ว่าต่อไปจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายเหมือนกับคนแก่คนเจ็บคนตายที่ท่านได้ได้พบได้เห็นในขณะที่ออกมาเที่ยวนอกวังนี่นะในขณะที่ท่านเดินทางกลับเข้าไปในวังท่านก็เห็นชาย ที่เป็นนักบวชก็เลยถามว่าชายคนนี้เขาทําอะไรพวกนี้เขาทํออาทอะไรกันพวกนี้เขาเป็นนักบวช เ, เ, เขาเป็นผู้ที่หาวิธีหลุดพ้นจากความทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายท่านก็เลยรู้สึกมีความดีใจขึ้นมาว่าอ๋อถึงแม้จะมีความแก่ความเจ็บความตาย แต่ก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้<ม>ทุกข์ด้วยการทำใจให้สงบเนี่ย<ม>ซึ่งพระอง์ก็เคยทามาแล้วเคยได้สัมผัสมาแล้ว<ม>ว่าเวลาใจสงบนี้ร่างกายจะเป็นอะไรนี้ไม่มีผลต่อจิตใจในตอนนั้นเวลาจิตใจสงบนี้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไม่มากระทบกระเทือนกับใจที่สงบ กับใจที่มีความสุขจากความสงบนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นใจของพระองค์ก็เริ่มหันเหคิดไปถึงอนาคตคิดถึงเวลาที่จะต้องออกบวชเพราะว่ารู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปแล้วเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้จะต้องทุกข์มากๆนั่นเองจะต้องไปหาวิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย โอกาสนั้นก็มาถึงในเวลาที่พระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสขึ้นมาพ อ, อมหาเล็กนำข่าวไปกราบทูลไปเล่าให้ฟังว่าตอนนี้พระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสขึ้นมาแล้วคำแรกที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอุทานออกมาก็คือราหุลราหุลแปลว่าบวงมหาเล็กคิดว่าท่านทรงตั้งชื่อ ให้ลูกชายว่าราหุลก็เลยไปกราบทูลมเหสีในวันต่อไปว่าท่านได้ทรงตั้งชื่อให้แล้วว่าชื่อราหุลแต่ความจริงท่านพูดว่าบ่วงบ่วงภาษาภาษาอินเดียสมัยนั้นราหุลแปลว่าบ่วงคือบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วกับใจของเจ้าชายสิทธัตถะคือพ่อนี้กับลูกนี้ย่อมมีพันธะผูกพันกัน มีความรักกันมากเริ่มเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่รีบหนีออกจากบ่วงนี้ไปต่อไปบ่วงนี้จะรัดใจไว้จนกระทั่งไม่สามารถไปได้ท่านเลยต้องตัดสินใจหนีออกจากวังไปภายในคืนนั้นเลยโดยที่ไม่บอกใครเพราะรู้ว่าถ้าบอกก็จะต้องถูกข้ามอย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครต้องการให้ท่านไปอยู่ยากลาบากเพราะ คนเขาคิดว่าการไปบวชนี้เป็นการไปอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนไร้บ้านเรือนอยู่ตามป่าตามเขาไม่มีที่อยู่อาศัยที่สุขสบายอาหารการกินก็ต้องอาศัยการบินตะบาดจากชาวบ้านไปก็ไม่อยากจะให้ไปทุกข์ยากลำบากแต่พระองค์ทรงเห็นว่านี่คือทางที่จะทำให้ใจนี้ หลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้พระองค์ก็เลยทรงตัดสินพระทัยว่าจะต้องออกบวชจะต้องหนีออกจากวังไปในคืนนั้นก็ทรงจากไปอย่างเงียบๆไม่ไม่ได้บอกใครและห้ามไม่ให้มหาเล็กรู้ด้วยว่าไปไหนให้ไปส่งเพียงที่เขตชายแดนของของประเทศ แล้วก็ส่งดำเนินด้วยเท้าไปตอนออกจากวังก็มีม้าให้ขี่ไปแต่พอถึงสุดเขตชายแดนก็ให้หมาลเล็กเอาม้ากลับไปแล้วพระองค์ก็เดินดำเนินด้วยเท้าต่อไปเพื่อไปแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกมนิ้วกาย ก็ได้ทรงศึกษากับพระอาจารย์หลายรูปจนสามารถเข้าถึงความสงบของรูปฌปานและอรูปฌปานได้<ม>เวลาจิตเข้าสู่รูปฌปานหรือเข้าสู่อรูปฌปาน<ม>จิตก็จะมีความสุขมไม่ว่าร่างกายจะอดอยากขาดแคลนอย่างไรหิวโหยขาดอาหารขาดอะไร<ม>หรือเจ็บไข้ได้ป่วย<ม><ม>เวลาจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว อาการของร่างกายนี้ไม่สามารถเข้าไปสู่ในจิตคอนในใจได้จิตอยู่เหมือนกับว่าร่างกายนี้ไม่เป็นอะไรแต่เวลาออกมาจากสมาธิออกจากรูปฌานหรืออรูปฌานความอาการเจ็บไข้ได้ป่วยความความทุกข์ต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกิ้นกายก็เข้ามากระทบต่อจิตใจทันทีสมัยนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่า จะทำอย่างไรไม่ให้รูปเสียงกลิ่นรสผทพะที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มากระทบกับจิตใจมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเพราะยังไม่มีใครรู้อริยสัจสี่ไม่มีใครรู้ว่าความทุกข์ของใจนี้ไม่ได้เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะที่มากระทบกับใจแต่เกิดจากความอยากของใจ ที่ไปอยากให้รู้เสียงกิริย์ลดผดทพะที่มากระทบกับใจนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของใจเท่านั้นเองถ้าเป็นรู้เสียงกิริย์ลดผดทพะที่ใจไม่ต้องการก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเช่นเสียงใจนี้ต้องการแต่เสียงสรรเสริญกันเวลาใครพูดยกย่องเยืนยอนี่มีความสุขยิ้มแย้มกันเลย แต่พอใครมาพูดตำหนิตีเตียนเกาลหานินทาดูถูกดูแคลนใจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีสมัยนั้นไม่มีใครรู้ว่าทำไมใจต้องมาทุกข์กับเสียงเสียงมันก็เสียงอันเดียววันมันก็เป็นลมปากเหมือนกัน แต่มันเป็นเสียงสรรเสริญกับเป็นเสียงดินทาร์แต่แล้วเสียงสรรเสริญนี่ทําไมใจถึงฟูขึ้นมาใจทใําไมถึงมีความรู้สึกสุขขึ้นมาต่อใครเขาว่าเราสวยนะเรารวยนะยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาต่อใครเขาว่าเรา่วยนะหน้าซุ่มหน้าเศร้าขึ้นมาทันที นั่นเป็นเพราะว่าใจของเราเป็นใจที่ไม่เป็นกลาง<ม>เป็นใจที่มีอคติมีใจ ม, มีรักชังกลัวหลงอยู่ในใจเป็นใจที่เลือกเลือกเอาสิ่งที่รัก<ม>แล้วก็รังเกียจสิ่งที่เกลียด์รังเกียจในสิ่งที่ไม่ชอบพ<ม>อไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบก็เกิดความสุขใจ พอไปสัมผัสกับรู้เสียงกลิ่นรสที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเรามีความรังเกียไม่มีใครรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้กันไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงให้ใจนี้เฉยๆเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธินี้ใจเฉยจริงๆใจไม่มีรักชังกลัวหลงแต่พอออกจากสมาธิมาไม่นานความใจ ใจที่เป็นกลางที่เป็นเฉยเฉยที่เป็นอุเบกขานี้จะหายไปแล้วใจก็จะเก่ากลายเป็นใจที่รักชังกลัวหลงพอสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะเกิดความรักความชางังความกลัวความหลงขึ้นอาทันทีไม่มีใครรู้วิธีว่าทํายังไงให้ใจเป็นอุเบกขาได้โดยที่ไม่ต้องอเข้าไปในสมาธิเนี่ย พระพุทธเจ้าไปถามครูบาอาจารย์ที่เก่งๆก็ไม่มีใครรู้ในที่สุดเมื่อไม่มีใครรู้ก็เลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยตนเองค้นคว้าไปพิจารณาไปจนในที่สุดก็ได้คดได้พบสัธจธรรมความจริงว่าใจนี้เวลาออกจากสมาธิมานี้จะมีรักมีชังก็เพราะว่ามีความหลงความหลงที่ยังไม่เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายังไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาอยู่เป็นสิ่งที่ถาวนเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขเป็นความเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราเป็นของเราอยู่ภายใต้อำนาจอยู่ภายใต้คำสั่งของเราแต่ความจริงแล้วถ้าพิจารณาด้วยความรอบครอบนี้ จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังไม่ใช่นิจจังเป็นเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรอยู่นิ่งเฉยสิ่งต่างๆที่เราได้มานี้เวลาได้มาใหม่ๆมันก็เป็นของใหม่เป็นของดีแต่พอใช้ไปใช้ไปแ เ, เก็บไว้เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวพอมาดูอีกทีหนึ่งอ้าวกลายเป็นของเก่าไปใช่ไหมเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆ มีในโลกนี้มันจะต้องมีการเจริญแล้วก็จะมีการเสื่อมตามมามีการเกิดแล้วก็ต้องมีการตายตามมามันเป็นสิ่งที่เป็นปกติของโลกนี้ของธรรมชาติของโลกนี้เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดพะนี้ก็เหมือนกัน ได้อะไรมาแล้วดูปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปดูภาพยนตร์ปั๊บเดี๋ยวมันจบภาพยนตร์เรื่องนั้นก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกเรื่องหนึง่งดูกี่เรื่องมันก็หมดไปผ่านไปมันไม่มีอยู่ข้างๆอยู่ในใจของเรามันก็เลยทำให้เราเกิดความเหงาเกิดความว่าเวเวลาที่เกิดการพัดพากจากกันเวลาที่ต้องพัดพากจากสิ่งที่เรารักเราชอบก็เกิดความ ทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่ต้องสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาต้องสัมผัสกับสิ่งที่เรากลัวก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่สัมผัสกับความหลงก็ทำให้เราทุกข์เพราะว่าความหลงมันจะไม่ให้เราเห็นความจริงมันจะให้เราคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นสุขไปตลอดจะดีไปตลอด แต่ที่ไหนได้สิ่งที่เราคิดว่ามันจะดีไปตลอดสุขไปตลอดเดี๋ยวเผลอแป๊บเดียวมันกลายเป็นไม่ดีไปเสียแล้วกลายเป็นทุกข์ไปเสียแล้วนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นกันมองไม่เห็นตรายลักษณ์ในสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัหรือโลกธรรมเช่นลาบยศ ส, สรเสนนี้เป็นตรายลักษณ์เป็นอนิจจัง มีเจริญนะก็มีเสื่อมมีได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีเสียไป uh huh. เกิดแล้วก็มีดับ uh huh. เวลาได้มาก็เกิดความสุขกันเวลาหมดไปก็เกิดความทุกข์กัน uh huh. uh huh. อันนี้คือทำไมใจถึงทุกข์เพราะว่าใจไปอาศัยสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขนั่นเอง uh huh. ใจ ถูกโมหะความหลงหลอกว่าอยากจะมีความสุขก็ต้องไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสกันอยากจะมีความสุขก็ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญกัน<ม>ซึ่งเวลาได้มามันก็เป็นความสุขจริงอยู่แต่มองไม่เห็นลยมองไม่เห็นระยะไกลว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงงานเลี้ยงนี้ทุกชนิดต้องมีวันสิ้นสุดลง จะเลี้ยงกันกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็เลี้ยงไปเถอดเดี๋ยวมันเหนื่อยมันเลี้ยงไม่ไหวมันก็ต้องหยุดเลี้ยงกันเองกันถึงว่างานเลี้ยงมันมีวันสิ้นสุดความสุขทางโลกนี้มันมีวันสิ้นสุดถ้าเห็นถ้าเห็นตายลักเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมีวันสิ้นสุดในวันจบก็จะสามารถหยุดความทุกข์ได้ก็จะหยุดความอยาก ถ้ามันเป็นความทุกข์เราจะไปหามันทาไมถ้าความสุขนี้มันเดี๋ยวมันจะต้องหมดเดี๋ยวมันจะต้องทำให้เราร้องห่มร้องไห้เห็นไหมสังเกตคนที่มีคู่ครองนี้เวลาคู่ครองจากกันนี้เป็นเป็ น, ปนยังไงหน้าตาซึมเศร้าเศร้าส้อยหงอยเหงากันแต่พวกที่เป็นโสดนี้เขาสบายเขาไม่ต้องมาเศร้ามาโสกกับแฟนกับคู่ครองของเขาเพราะเขาไม่มีคู่ครอง อันนี้เปรียบเทียบไม่เห็นว่าเนี่ยระหว่างการมีอะไรกับการไม่มีอะไรการมีนี่ะเป็นการมีทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะมันเป็นเหมือนลูกระเบิดลูกระเบิดตอนที่เราไปเห็นมันมันยังไม่ระเบิดมันก็ดูสวยดีแต่พอวัามันระเบิดขึ้นมานั้นะมันถึงจะเห็นโทษของมันว่ามันร้ายกาจขนาดไหนสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มันก็เป็นเหมือนลูกระเบิดนี่มันสวยงามมันน่าดูน่าชมน่ารัก แต่วันดีเกินดีมันจะเปลี่ยนกับเปลี่ยนหน้ามือเป็นหนังมือไปยากดีกลายเป็นไม่ดีไปแล้วนืจากการได้อยู่จากกลายเป็นการแยกออกแยกทางกันไปคนละทิศคนละทางตอนนั้นะความทุกข์จึงถึงจะเข้ามาถ้าอยากที่จะฉลาดอยากที่จะไม่ทุกข์ก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบอย่ามองเพียงด้านเดียว โมหะอาวิชานี้มันจะหลอกให้เรามองแต่ด้านที่สวยงามด้านที่ดีด้านที่ด้ด า, นดานสุขแต่จะไม่ยอมให้เรามองเห็นด้านที่เป็นทุกข์กันเพราะถ้าเราเห็นว่าด้านเป็นที่เป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพระกันถ้าเราไม่อยากเสพกิเลสก็ตายท่านเอง mm hmm. กิเลสนี้มันถึงต้องพยายามหลอกเราไม่ให้เราเห็นส่วนที่ไม่ ไม่ดีเหมือนพ ร, พระเจ้าสุดโทธนะพระราชบิดาก็เหมือนกันไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นส่วนที่ไม่ดีของชีวิตเพราะเมื่อเห็นส่วนที่ไม่ดีของชีวิตแล้วความอยากที่จะเป็นอะไรต่างๆนี้มันจะหายไปหมดความอยากจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ความอยากจะเป็นมหาจักรพรรดิความอยากจะเป็นมหาเศรษฐีความอยากจะเป็นอะไรต่างๆนี้มันจะหายไปหมดเพราะมันรู้ว่ามันเป็นได้เดียวเดียว แล้ววันหนึ่งก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงแล้วเวลาวันสิ้นสุดนั้นเป็นวันที่จะต้องเจอเจอกับความทุกข์อย่างโมโหลานอย่างใหญ่หลวงนี่คือการพิจารณาทางปัญญาของพอระพุทธเจ้าทําให้ทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับหรือไปสั่งทําให้มันเที่ยงไม่ได้ เช่นร่างกายแล้วนี้จะทำให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดเวลาไม่ได้ทำยังไงก็ตามเถอะเดี๋ยวมันถึงเวลาของมันมันก็ต้องแก่ไปผมมันก็ต้องหงอกผมมันก็ต้องร่วงผิวมันก็ต้องเหี่ยวต้องย่นไปทำยังไงยาวิเศษขนาดไหนก็ทำได้อย่างมากก็ชะลอมันไปเป็นพักๆเท่านั้นเองแต่ในที่สุดแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของมัน นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหรือสมมาโคโดมใช้พิจารณาจนเห็นว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งต่างๆก็อยากไปอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้ความสุขให้อยู่บนพื้นฐานของความไม่มีความอยากดีกว่าพะเวลาใจไม่อยากนี้แหละความสุขที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นมา เช่นในขณะที่อยู่ในสมาธินี้ความอยากไม่ปรากฏขึ้นมาพอไม่มีความอยากใจก็สงบเย็นสบายมีความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่เองแล้วเวลาออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดจะอยากก็ให้ใช้ปัญญานี้มาสอนใจทันทีว่าสิ่งที่อยากนี้มันไม่เที่ยงมันจะกลายเป็นความทุกข์ เวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันหมดไปแล้วไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรที่ไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ช้าก็เร็วต้องเปลี่ยนต้องหมดเมื่อเวลามันเปลี่ยนหรือว่าเวลามันหมดเวลานั้นความทุกข์ก็จะตามมาทันทีให้พิจารณาอย่างนี้หรือว่าสิ่งต่างๆที่ได้มามันอาจจะเปลี่ยนช้าหมดช้ากว่าร่างกายของเราก็ได้สิ่งที่เราได้มายังอาจจะดีอยู่เหมือนเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆ แต่ร่างกายเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันร่างกายเราก็แก่ลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายเราก็ต้องตายไปเราก็ต้องจากสิ่งต่างๆที่เราให้ความสุขกับเราตอนช่วงที่ต้องตายในี่ใจของเราจะทุกข์ทรมานมากเพอะเรารู้ว่าเราจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความสุขกับเรา เราจะไม่สามารถมีความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าเราจะไปไหนต่อไปแล้วเราจะเป็นอะไรต่อไปด้วยหรือเราอาจจะคิดว่าเราจบลงตอนตอนที่ร่างกายนี้ตายไปก็ได้เมื่อคิดว่าเราต้องจบเราต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างทั้งชีวิตทั้งร่างกายของเราเราก็เลยยิ่งเกิดความทุกข์เกิดความกลัวขึ้นมาอย่างโมโหลาน แต่ถ้าเราได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้พบกับความจริงว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจใจที่มีความอยากหาความสุขจากโลกธรรมก็อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถุภะนี้อยากหาความสุขจากราบยศสรรเสรี้ที่เป็นผู้ทุกข์ทุกข์เพราะความอยาก แต่เวลามาทําใจให้สงบได้ใจจะไม่ทุกข์ใจไม่มีราบยศสารเสริญไม่มีรูปเสียงกิจโนดก็ไม่ทุกข์เพราะใจมีความสงบเป็นความสุขแทนอันนี้แหละคือการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าตัดสรุปว่าเวลาที่ออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะให้ใจสงบเหมือนเดิมเหมือนตอนอยู่ในสมาธิก็ต้องคอยควบคุมความอยากให้ได้ อย่าปล่อยให้ความอยากที่ยังไม่ได้รับการกำจัดนี้มันโผล่ขึ้นมาในใจของพวกเราทุกคนนี้ต่อให้ปฏิบัติถึงสมาธิขั้นสูงสุดก็ยังไม่สามารถกำจัดความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้คือไม่ยังสมาธินี้ไม่สามารถกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้จะให้เข้าสมาธิกี่ครั้งกี่หนก็มันก็ไม่ตาย เพราะว่ามันเป็นเหมือนเอาหินไปทับหญ้านี่เวลาเอาหินทับหญ้าหญ้ามันก็ไม่งอกขึ้นมาแต่พอเราเอาหินออกปับ๊บเดี๋ยวพอมันได้น้ําได้แดดสัพักมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้เพราะรากมันยังอยู่ในดินมันยังไม่ตายฉันใดเวลาเราเข้าสมาธิก็เช่นเดียวกันเวลาเราเข้าสมาธิจิตเราก็สงบนิ่งพอสงบนิ่งกิเลสตัณหาก็ไม่สามารถทํางานได้กิเลสตัณหาอาศัยการ ความคิดของใจเป็นเครื่องมือพอใจหยุดคิดพอใจอยู่ความนิ่งอยู่ความสงบกิเลสตัณหาก็เลยต้องหยุดทํางานชั่วคราวขณะที่กิเลสตัณหาหยุดทํางานก็เกิดความเย็นเกิดความสบายขึ้นมาเพราะธรรมชาติของกิเลสตัณหานี้ทําให้ใจร้อนส mm hmm. ังเกตดูเวลาอยากได้อะไรนี้ใจจะร้อน mm hmm. จะรีบไปให้ได้ขับรถก็จะรีบไปให้ถึงที่เร็ว ใจร้อ น, รนกลัวจะไปไม่ทันบ้า ง, งากลัวจะไปไม่ถึงบ้างก็มีความร้อนก็เลยขับรถอย่างประมาทแล้วดีไม่ดีก็ไปเจออุบัติเหตุกันเพราะใจร้อนใจเกิดความอยากขึ้นมาแต่เวลาใจไม่มีความอยากนี้ใจเยน็นขับรถสบายไปถึงเมื่อไหร่ก็ได้ช้าก็ได้เร็วก็ได้ขอให้ไปถึงขอให้ไปปลอดภัยนี่คือธรรมชาติของ กิเปัญหามันจะทําให้ใจร้อนควาว่าใจร้อนก็คือใจทุกข์นั่นเองใจไม่สบายเราจะทําให้ใจนี้ต้องไปดิ้นนนหาสิ่งต่างๆมาดับความร้อนซึ่งหามาเท่าไหร่มันก็ดับได้เป็นพักๆไปเท่านั้นเองพออยากได้อะไรมันก็ร้อนขึ้นมาพอได้สิ่งที่อยากได้มามันก็หายร้อนชั่วคราวแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ได้มา ความสุขที่ได้จากสิ่งที่ได้มามันหมดไปก็เกิดอยากได้ความสุขใหม่ขึ้นมาอีกก็ร้อนขึ้นมาอีกมันก็จะพาใจให้ดิ้นรนไปอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธเจ้าทรงกล่เพราะว่าต้องหยุดมันเท่านั้นต้องไม่ทําตามความอยากเวลาเกิดความอยากและวิธีที่จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำตามความอยากก็ต้องเห็นทุกข์ที่ยัตามมาเวลาที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้ พอสิ่งที่เราอยากได้มันจะให้ความสุขชั่วคราวพอมันหมดมันก็ทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาใหม่อันนี้คือปัญญาที่พระเจ้าได้ส่งคนพบว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากสามประการความอยากได้รูปเสียงกลิ่นความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผพรถรเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นเป็นคนธรรมดานี้ไม่มีความสุขเช่นวันนี้มีการเลือก เทศบาลกันเลือกนายกเทศมนตรีกั น, นก็อยากจะเป็นนายกเทศมนตรีอยากมีหน้ามีตากันเป็นคนธรรมดาแล้วมันมันไม่เท่พอใครเขาเรียกเราเป็นนายกขึ้นมาเรารู้สึกรู้สึกว่าเราเป็นมีเกียรติขึ้นมาทันทีนี่เขาเรียกว่าความอยากมีอยากเป็น พออยากปับใจมันก็เต้นลเลยใจมันก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วมันต้องไปสมัครลงแล้วต้องไปหาเสียงแล้วตอนเช้าก็มาใส่บาตรขอพรท่ายประชานี่มาต้องหลายทีมเราก็ให้พรทุกขวัย ไ, ได้ทั้งหมดเลยนะจะได้หรือเปล่าไม่ได้นะ นี่แหละความอยากมันทำให้ใจดิ้นทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจไม่มีความสุขพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยว่าถ้าไม่อยากส็อย่างาสบายไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปหาเงินไปหาเสียงไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยไปยกมือไหว้ชาวบ้านทั่วไปหมดเพื่อที่จะได้ให้เขาเลือกเรามาเป็นนายกเท่านั้นเองอันนี้คือปัญญาให้เห็นว่าเนี่ยความทุกข์เกิดจากความอยาก อยากหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกอยากมีอยากเป็นแล้วก็อยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่จนนี่ไม่มีใครอยากจนกันพอจะจนนี่ก็ทุกข์กันละเนี่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ให้คนอื่นเขาด่าเราเขาว่าเราอยากไม่ให้คนนั้นคนนี้เขานินทารอดูถูกดูแคลนเรานี่คือวิภาวดนาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ความอยากทั้งสามชนิดนี้แหละที่เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ทำให้ใจร้อนทําให้ใจไม่มีความสุขเวลาแก่ก็ทุกข์เพราะมีความอยากไม่แก่กันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์เพราะไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยกันเวลาจะตายก็ทุกข์เพราะมีความอยากไม่ไม่ตายกันนั่นเองออพอถ้าเราเห็นว่ามันทําให้เราทุกข์แล้วเรารู้ว่าถ้าเราหยุดความอยากนี้ได้ ใจเราจะไม่ทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นสิ่งที่เราทุกข์ที่เราอยากว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาก็คือเราห้ามมันไม่ได้เช่นร่างกายนี้เราห้ามมันไม่แก่ไม่ได้ห้ามไม่ให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ห้ามไม่ให้มันไม่ตายไม่ได้ห้ามอยากอยากไปก็จะทุกข์ไปเปล่าๆอย่างนถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากท่านเอง ก็เฉยๆไปทําใจให้เป็นอุเบกขาวางเฉยสักแต่ว่ารู้ว่าอ๋อตอนนี้เราแก่แล้วนะตอนนี้หนังเราเหี่ยวแล้วนะตอนนี้ผมเราขาวนะไม่ต้องไปย้อมมันไม่ต้องไปดึงมนะันย้อมยังไงเดี๋ยวมันก็ขาวโผลขึ้นมาดึงยังไงเดี๋ยวมันก็เหี่ยวลงไปอนยะ่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยยอมดีกว่ายอมแล้วก็หยุดแล้วก็ใจเย็นเคยยอมรับความจริง ยอมรับว่าร่างกายเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้พอเรายอมรับความจริงยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายเราก็จะหยุดต่อสู้เราจะหยุดต่อสู้กับความแก่หยุดต่อสู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยหยุดต่อสู้กับความตายพอเราหยุดปั๊บใจเราจะเย็นขึ้นมาทันทีใจเราจะสงบขึ้นมา เพราะเราระงับความอยากได้หยุดความอยากได้หยุดความอยากที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อันนี้แหละที่ทําให้ใจของมูตเจ้านี้หลุดพ้นจากความทุกข์คือทรงใช้ปัญญาคือใจรักมาระงับความอยากทั้งสามประการเวลามันเกิดขึ้นมาเวลาเกิดความอยากได้รู้เสียงกลิ่นลดกล้วย ให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะต้องเปลี่ยนจากความสวยงามเป็นเป็นของไม่สวยงามต่อไปเป็นต้นเห็นความไม่สวยงามเช่นร่างกายตอนหนุ่มตอนสาวก็สวยงามแต่ต่อไปเวลาแก่เวลาจะตายก็ไม่สวยไม่งามให้เห็นอย่างนี้พอเห็นแล้วก็จะละ ก, กา ม, มาตัณหาได้ ภาวะสถานาการณ์เป็นอะไรก็เป็นของชั่วคราวเลือกตั้งวันนี้เดี๋ยวได้เป็นก็เป็นแค่สี่ปีเดี๋ยวก็ต้องเลือกใหม่พอเลือกใหม่ถ้าคราวหน้าไม่ได้ก็เสียใจเศร้าโศกเสียใจอีกก็เป็นทุกข์อีกให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างความอยากนี้เป็นตัวพาให้เราไปทุกข์กัน ถ้าเราไม่อยากอย่างพวกญาติโยมวันนี้ไม่ได้ทุกข์กับการจะเป็นหรือไม่เป็นเน่ยเพราะไม่ได้ไปมีความอยากจะไปเป็นนายกเทศมนตรีที่ไหนใครจะเป็นก็ไม่เดือดร้อนใครไม่เราไม่ได้เป็นเราก็ไม่เดือดร้อนสบายใจกว่าเนี่ยแหละนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีความอยากกับผู้ที่ไม่มีความอยากผู้ที่เป็นมีความอยากตอนนี้นั่งลุ้นกันใหญ่เนี่ยตอนนี้เริ่มนับคะแนนกันยังมันวะเนี่ย เกิ น, นี้ก่อจะได้นอนไม่รู้ผี่ทุ่มเลยแต่ยังไม่รู้ผลนี่นอนไม่หลับนะเชื่อไหมเพราะความอยากนี่มันทำให้ใจไม่นิ่งใจไม่สงบอันนี้คือการตัดสั้ของพระพุทธเจ้าทรงตัดสั้ทรงเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่มาก็ทําให้ใจไม่สงบถึงแม้ว่าจะมีความสงบจากสมาธิจากสติก็ตามแต่ความสงบที่เกิดจากสตินี้ ไม่สามารถทำให้สงบได้อย่างถาวรพะเวลาออกจากสมาธิมาปับ๊บพอใจเริ่มคิดหรือใจมาเริ่มรับรู้เรื่องราวต่างๆก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีพอรับรู้เรื่องร่างกายก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอรับรู้เรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็อยากให้มันเป็นของเราไป น, น, นานๆไม่อยากให้เขาจากเราไป แต่พอมีอะไรมาทําให้เราคิดว่าเขาจะต้องจากเราไปเท่านั้นใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามีปัญญามองเห็นอนะนิจจังปั๊บจะหายทันทีเพราะมันต้องมีวันพัดพากจากกันเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วจะต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้เราห้ามแดดไม่ให้ออกไม่ได้ห้ามลมไม่ให้พัดไม่ได้ฉันใด ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนดินฟ้าอากาศนี่เองเราไปห้ามเขาไม่ได้เวลาที่เขาจะเสื่อมเวลาที่เขาจะเป็นอะไรไปนี่คือปัญญาที่พระเจ้าทรงพิจารณาเห็นเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาพราะองค์ก็เลยตัดความอยากในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไป ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่อของเขาร่างกายจะแกะ่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปใครจะดา่าใครจะชมก็ปล่อยเขาดา่าปล่อยเขาชมไปใครจะทำอะไรกับเราก็ปล่อยเขาทำไปถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปที่อย่างนี้แล้วใจก็จะสบายใจก็จะไม่อุ่นวายใจก็จะสงบใจก็จะสงบอย่างท้าวร สงบแบบที่ไม่ต้องเข้าสมาธิพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจจะสงบโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติของใจบรมณมสุขนี้ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิบรมณมสุขนี้อยู่อยู่ที่การไม่มีความอยากเวลาใดที่เราตัดความอยากได้อย่างถาวรความความสุขอรมณมัสุขนี้ก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือการค้นพบสัจธรรมความจริงคือความสุข อีกรูปแบบหนึ่งที่พวกเรายังไม่รู้จักกันพวกเราเกิดมาทุกคนนี้ถ้าไม่ได้มาสัมผัสกับทางพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่รู้วิธีหาความสุขแบบแบบที่พระเจ้าทรงรู้ทรงได้หามาโดยความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพราะการที่จะทําให้ใจสงบนี้จําเป็นที่จะต้องมีธรรมสามชนิดนี้ คือมีศีลศีลนี่หมายถึงศีลแปดขึ้นไปศีลห้า น, นี้มีมกําลังไม่พอที่จะมาควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้เพราะศีลห้าไม่ห้ามให้ไปเที่ยวกันศีลห้าไม่ห้ามให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเมื่อไม่ห้ามใจก็จะไปหาความสุขกันทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไปก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขทางใจ แต่พอให้ถือศีลแปดปั๊บนี่ไปไม่ได้แล้วจะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้จะไปงานเลี้ยงยามค่าคืนก็ไม่ได้ไม่ให้ไปกินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วยังเรื่องความสุขที่เกี่ยวกับบันเทิงเกี่ยวกับอะไรต่างๆอัน่านี้ก็จะต้องถูกตัดไปหมดก็จะต้องเหมือนกับถูกกักขังอยู่ในบริเวณอยู่ในวัดอยู่ในบ้าน เมื่อถ้าอยู่นั้นไม่ไ ม, ไม่มีอะไรจะทำก็จะมีเวลามาสร้างความสุขทางใจได้มาเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาพอจิตสงบก็จะได้ความสุขระดับขั้นต้นคือระดับชั่วคราวระดับจากการมีความสงบของสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มวุ่นวายก็ต้องใช้ปัญญา มาระ ง, งับความวุ่นวายเพื่อให้ใจสงบต่อไปอการใช้ปัญญาเป็นก็จะทำให้ใจสงบสงบโดยที่เมื่อใจสงบใจมีความสูงก็ไม่มีความจำเป็นที่จะองเข้าไปในสมาธิอีกต่อไปเราเข้าไปหรือไม่เข้าไปมันก็เหมือนกันเหมือนกับว่าถ้าเราอากาศข้างนอกมันเย็นเท่ากับข้างในเราก็ไม่ต้องเข้าไปข้างใน แต่ถ้าอากาศข้างนอกมันร้อนแล้วข้างในเรามีเครื่องปรับอากาศที่เย็นกว่าเราก็ต้องเข้าไปข้างในก่อนอันนี้ก็เหมือนกันเวลาใจที่เรายังร้อนอยู่เวลาอยู่ข้างนอกตอนนี้ยังไม่มีสมาธิเราก็ต้องเข้าไปข้างในก็ไปในสมาธิเพื่อทำให้ใจเราเย็นแต่พอใจเราออกมาจากสมาธิมาข้างนอกมันร้อนที่เรามีปัญญาเราก็สามารถปรับอากาศข้างนอกให้มันเย็นได้ พอบ่าประกาศข้างนอกให้มันเย็นได้ความเย็นข้างนอกกับความเย็นข้างในมันเหมือนกันก็ต่อไปก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ผู้ที่กำจัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจแล้วนี้จะไม่มีความแตกต่างว่าจะเข้าสมาธิหรือไม่เข้าสมาธิจะต่างกันก็ตรงที่ว่าจะได้หยุดคิดหรือไม่หยุดคิดนั่นเองเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธออิก็ยังต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แต่ ใจที่ไม่มีกิเลสจะไม่คิดไปในทางกิเลสจะไม่จะไม่คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเห็นพระพุทธเจ้าพาระอรหันต์นี่เวลาท่านไม่ได้อยู่ในสมาธิใจของท่านก็ไม่ทุกข์เพราะท่านไม่คิดไปในทางกิเลสท่านคิดในทางธรรมอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เมื่อวานนี้มีคนถามสังขารและธรรมว่าเป็นยังไง ความคิดทางธรรมท่านจะคิดแต่ทางธรรมคิดแต่ทางใจรักคิดแต่ทางอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอเห็นอะไรท่านก็จะเห็นเป็นใจรักไปหมดใจของท่านก็เลยไม่ทุกข์กันเพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปแต่คิดมากๆมันก็เหนื่อยได้บางทีท่านก็ต้องเข้าไปในสมาธิเพื่อหยุดความคิดเพื่อพักใจใจก็เหมือนร่างกายเมื่อใช้งานมันมากๆมันก็เหนื่อยได้ก็ต้องพักก่อนหลับนอนเป็นธรรมดาน แต่ถ้าไม่ได้ไปเข้าสมาธิเพื่อที่จะไปดับกิเลสไปไป ไปต่อสู้กับกิเลสเหมือนกับพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องเข้าสมาธิเพื่อต่อสู้กับกิเลสเพื่อหยุดกิเลสกันเพราะถ้าเราไม่เข้าไปในสมาธินี้เราสู้มันไม่ไหวอยู่ข้างนอกนี้เดี๋ยวมันก็หาเรื่องมาใส่ให้ใจเราทุกข์ใส่ให้เราวิตกังวลหวาดกลัวไปกับเรื่องราวต่างๆนานาบางทีทุกข์มากๆทนไม่ไหวนี่เราก็เลยต้องหลบเข้าไปในสมาธิกันพอเราเข้าไปในสมาธิใจก็หยุดคิด พอหยุดคิดกิเลสก็ไม่สามารถทำงานมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับเราได้แต่ก็เป็นเข้าไปได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ต้องออกมาพอออกมาถ้าเราไม่คอยควบคุมใจด้วยสติต่อไปเดี๋ยวมันก็คิดไปทางทางกิเลสมาสร้างความทุกข์ให้กับเราเองฉั้นเวลาเราไม่อยู่ในสมาธินี้เราก็มีสองทางด้วยกันที่จะสู้กับกิเลส ถ้าเรายังไม่รู้จักปัญญาก็ต้องใช้สติตไปก่อนเช่นบริการพุทโธพุทโธไปเอาเวลาเกิดความโกรธโกรธใครขึ้นมากาพทท็พุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธพอเราอยู่ก็พุทโธพุทโธไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่ทําให้เราโกรธมันก็หายทุกข์ไปได้หายโกรธไปได้ แต่พอเราเผลอกลับไปคิดใหม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธมันนีวก็โกรธขึ้นมาได้อีกเพราะสตินี้ไม่สามารถกาจัดความโกรธได้อย่างถาวรจะกาจัดความโกรธได้อย่างถาวร น, นี้ต้องใช้ปัญญาเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเราโกรธเขาทำไม เราโกรธเขาเพราะเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมที่เราไม่ชอบใช่ไหมเนี่ความอยากอยู่ที่เราความอยากให้เขาเราไม่อยากให้เขาทาอย่างนั้นอย่างนี้นเรียกว่าวิภาวะตัณหา bor, แล้วเราห้ามของได้หรือเปล่าเราพิจารณาเขาดูว่าเขาเป็นตายรักรหรือเปล่าเขาเป็นตายรักเขาเป็นอนัตตาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปสั่งไปห้ามเขาได้หรือไมเมื่อเราสั่งห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องยอมยอมรับความจริง พอเรายอมเราก็หยุดความอยากของเราหยุดความอยากไม่ให้เขาด่าเราไม่ให้เขาทําร้ยายเราพอเราหยุดแล้วเราก็ปล่อยเขาทาไปตามเรื่องของเขาใจเราก็เย็นใจเราก็จะไม่ทุกข์นี่ท่าเรียกว่าสูตรสามยอมยอมหยุดเย็นแตยอมได้ต้องเห็นความจริงของตายรักเห็นว่าสิ่งนั้นสิน่ง น, นี้เป็นไตายักเราทําอะไรเขาไม่ได้ก็ต้องยอมเมื่อเรายอมแล้วเราก็จะหยุดต่อสู้หยุดอยากไม่ให้เขาทําอย่างนั้นให้เขาทําอย่างนี้ พอเราหยุดความอยากในใจแล้วความทุกข์ความน้อนใจก็หายไปความเย็นก็เข้ามาแทนที่เนี่ยท่านเรียกว่าใช้สูตรสามยอจําไว้สูตรสามยอยอมด้วยการเห็นตาลักพอเห็นตายแล้ว ก, ก็หยุดความอยากภาวะตันหาวิภาวะตันหาหรือการมตันหาได้พอหยุดการมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาได้ความเย็นก็คือความสงบของใจก็ปรากฏขึ้นมา นี่คือความสุขใจที่พระเจ้าจต้องการให้พวกเรามาศึกษามาเรียนรู้และมาสร้างกันพวกเราทุกคนทำได้กันทุกคนเพราะว่าเป็นเรื่องของใจไม่ได้เรื่องของร่างกายไม่ใช่ว่าร่างกายเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คองเรือนี้ไม่เกี่ยวกันนะ สถานภาพทางร่างกายนี้มันอาจจะมีการเอื้อบ้างหรือมีการมีการต่อต้านบ้างแต่มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเป็นหลักอยู่ที่ใจใจของพวเราทุกคนเหมือนกันใจของพวกเราทุกคนมีกิเลสเหมือนกันและมีความสามารถที่จะสร้างธรรมะขึ้นมาได้เหมือนกันมีความสามารถที่จะสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้เหมือนกันทุกคน ไม่งั้นจะไม่มีพระหลานในทุกทุกเพศทุกวัยสมัยพระพุทธการนี่ปรากฏมีพระหลานทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชทั้งผู้คลองเรือนมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนจนมีทั้งคนรวยสถานภาพเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะมากําหนดให้ให้เราห ล, หลุดพ้นจากความทุกข์ให้เราได้บรรลุถึงพระ น, นิพพานอยู่ที่ใจของเราว่าเราสามารถสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้หรือไม่เท่านั้น นี่ก็คือเรื่องของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ให้ท่านนำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาขังเอวเมีวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติยิจิตังปะทีตังตุมหังคิปะเมวะสนิจจโตสะเภปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณนิโชติระโสยะถา สัพพิติโยวิวัชานตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภวตะวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศิลิศนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโนสุขัง าลาลามัมลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากที่เลิกแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะตอบคําถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้จากวันนี้ทางบ้านมีผู้ติดตามเท่าไหร่ รานักาการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังทางเฟซบุ o กสามร้อยสิบเจ็ดท่านค่ะยู u ูบสอง้อสาสิบอ็ดท่านวิดีออนไลน์สิบเอดท่านคาเพลสสิบท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิสอง้อยแปดท่านรวมทั้งหมดเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านเจ้าค่ะมีคาถามหรอขอขอโอกาสเจ้าค่ะ คือ <C ür> อย่างอย่างที่ท่านสอนเรื่องเรื่องอใช้พุทโธเวลาปวดขาอะไรเงี้ยเร็วๆๆๆไม่ให้กระแสของความเจ็บขาเ ข, ข้ามาเนี่ยได้ผลแต่ก็ข้าเคยเทศหลายรอบเรื่องกายกายคักตาคติสติ <ür> <C ür> คือคือยมมองไม่ได้ค่ะคือยมมองร่างกายกายสัพพายัยางเช่นเวลา ย, ยนเดิจนจงกบมเนี้ย ก็คือแค่มองขาเนี่ยเอาไม่อยู่ก็คือจะเป็นพูดโทก็เอาไม่อยู่ก็ลองแล้วก็คือพอมาอยู่ก็คือซ้ายขวาซ้ายนี่อยู่เลยก็คือได้เป็นหลายชั่วโมงเลยเออดีอันไหนก็ได้อันไหนที่ทำให้มั น, <ขา S 1> มนอยู่ได้ค <ขา S 1> ่ะก็กลับมาเรื่องเนี่ยค่ะคืออริยบทในการทำํำเช่นกินข้าวนู่นนี่นั่นมันเยอะไปจนไม่สามารถจะอย่างเช่นเดินจงกรมแค่ใช้คําว่าซ้ายขวาขวาซ้ายเงี้ยค่ะแล้ว กิจกรรมทั้งวันนี้จะใช้ไงเพราะว่าแค่ดูร่างกายไม่อยู่จริงๆเจ้าค่ะก็ทำไปก็ว่าไปตามกิจกรรมไปกินข้าวกินข้าวกินกินไปกินข้กินข้าวต้องหาตลอดเลยล่ะถ้ามันไม่อยู่มันมันมันมันอยากจะไปคิดก็ต้องบังข้ามแบบนี้ไปกินข้าวกินข้าวตักข้าวเคี้ยวเกินตักข้าวเคี้ยวเกินไปให้ฝึกนี้ก่อนเอลองก่อนใช่เพราะนี่ก็ไม่ต้องมีคําพูดกํากับมันจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นได้ แต่ถ้าสเตยนีม้มากแล้วก็ไม่ต้องใช้คําพูดก็ได้ดูเฉยเฉก็ได้อเจ้าค่ะต้องไงก็ถึงสอนให้ยกหนอะก้าวเนอวางหน อ, อะแต่ว่าคําพูดมันจะเยอะเกินไปก็มันเพิ่นดึงจิตไว้ไงดึงจิตไว้สําหรับพวกที่ที่ยังฟุ้งซ่านอยู่ก็เลยมาบังคับยกหนอะก้าวเนอวางหนอคนไม่รู้อะไริด่ากำลังขับเดิน มันยังไม่ยัดเดินหัดสติเอแต่ต้องทํำช้าจะได้สติมันจะถูกบังคับใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นได้แต่ต่อไปพอมันสติมันมีกําลังแล้วก็เดินตามปกติก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือไม่ทางซ้ายขวาก็ได้เพียงแต่รู้สัมผัสเท้ากับดินก็รู้นะสัมผัสเท้ากับดินถ้สติมันถือคือมันจะไม่ไปที่อื่นนะมันจะอยู่ที่งานที่ทำอ กร ข, ขอโอกาสหลวงพ่ อ, อเจ้ า, านคน่ะลูกเป็นคนที่เคยมาถามไปไกลหน่อยลูกเป็นคนที่เคยมาถามหลวงพ่อว่าลูกติดอยู่กับกระดูกสามร้อยท่อนสามวันนะเจ้าค่ะอืแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกได้มีโอกาสมาปฏิบัติทําที่วัด น, นี้วันนี้เป็นวันที่สองจะอยู่เจ็ดวันลูกขอเรียนถามหลวงพ่อว่าพิมสามสาย ที่บอกไว้ลูกทราบแล้วว่าตอนอยู่บ้านเนี่ยลูกทำแบบสมัครเล่นทางสติและสมาธิพินนั้นมันเส้นนั้นมันหย่อนเกินไปเจ้าค่ะ mm hmm. พอมาอยู่วัดเมื่อคืนหนึ่งคืนเนี่ยจิตมันก็เพลินอยู่กับพุทโธค่ะมันนอนไปแค่ชั่วโมงเดียวมันก็อยากจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิมันก็เป็นของมันเองลูกว่าอาการเหมือนคล้ายๆกับตอนที่ลูกติดอยู่ในกระดูกสร้อท่อนอยู่สามวันคาถามของลูกคือ ปินเส้นกลางที่พอดีไม่ตึงเกินไปที่มันคําว่ามัชชิมาปฏิปทานนี่ยคืออะไรเราจะสามารถนอนแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เราก็ยังสบายของเราดีหรือว่าเช่นไรคําว่ามัชมชิมาปฏิปทานของแต่และบุคคลเท่ากันไหมเราทราบได้อย่างไรว่าเราอยู่ทางไหนทางไหนชั้ก็หนึ่งไม่ทกกับมันเนยเราต้องทําแล้วไม่ทุกข์นะ แล้วก็ได้ผลได้ผลจากการปฏิบัติคือจิตสงบดีจิตไม่ฟุ้งจิตเน่งอย่างเงี้ยอยู่สองตัวนี้มันไ ม, ไม่ได้อยู่เพราะว่ามากน้อยนี่มันเป็นช่วงจังหวะของของชีวิตเราด้วยของจิตใจเราด้วยบางช่วงจิตใจเราอ่อนก็ทำไม่ได้มากก็ทุกข์ละทำมากก็ทุกข์กินไปบางช่วงจิตเรามีกำลังมากก็ทำได้มากมันก็ไม่ทุกข์ งั้นมชิมานี้มันจะขยับไปขยับมาเหมือนกับขับรถบนท้องถนนนี่มันต้องว่าไปตามกระแสของรถที่วิ่งอยู่อัจบันนะค่าขนาดอยู่ใต้ทางด่วนมันก็วิ่งได้แค่นี้แต่พอมันขึ้นทางด่วนมันก็มีกระแสกระแสหนึ่งมันก็ไปของมันได้งั้นหนักเบามันก็อยู่ที่อยู่ที่กำลังของเราในขณะนั้น ก็เแสดงว่าเป็นอยู่กับปัจจุบันใขณะใช่ไหมอ่าให้อยู่ในแล้วเขาควบคุมจิตใจนี่เป้าหมายเคือควบคุมจิตใจเราได้หรือเปล่า <c oughs> ควบคุมให้จิตใจเราว่างไม่ให้คิดปรุงแต่งให้สงบไมื่อให้คุ้งซ่านลูกมีคนรู้สึกว่ามาไปดีวัฒน์ทำที่วัดแค่คืนเดียวก็เหมือนกับเหมือนเข้าโรงเรียนกดวิชาคตอน<ช>อยู่บ้านมันเหมือนทํำเล่นๆไปเรื่อยๆใช่เป็นคนคนละระดับกันเข้าโรงเรียนกดวิชา ก็เลยทำให้นึกถึงคำที่ได้ยินได้ฟังในคำเทศของของพระอาจารย์และพระสายวัดเปล่าว่าให้กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่ทำให้สร้างตารางปฏิบัติธรรมขึ้นมาหรือเป็นหลักการของทุ้ดวงคว่าที่เราแกล้งกิเลสมันไม่ให้ถ้ามันอยากซะก็ทรมานไม่ให้มันอยากอย่างนี้หรือจะพัใช่ไม่ังก็ต้องฝืนความอยากทุกรูปแบบนอกจากความอยากทางธรรม เพีแต่ว่าความอยากทำธรรมถ้มันเกินไป เกินไปมันก็อาจจะเป็นขวางการปฏิบัติได้ขวางผลที่จะเกิดได้แต่เราจะรู้เองปฏิบัติไปมันมันมันจะรู้เองอะมอมัชชิมาเป็นยังไงให้ดูที่ผลของการปฏิบัติตอนตอนก็ให้มันเกินไปหน่อยก่อนดีกว่าขาดเรารู้ว่าเกินไปมากเกินไปก็ค่อยถอยกลับมาได้ค่ะแต่อย่าให้มันขาดขาดแล้วมันขึ้นไปลําบากค่ะรู้ตอนหย่อนแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะตึงหรือว่าจะฝนครบขอบคุณเจ้าค่ะ ตึงต้องตึงแบบไม่เครียดตึงแบบสบายแล้วตึงแบบอ่าเป็นธรรมชาติอย่างนี้อ่าคำถามต่อไปคำถามต่อไปจากผู้รับฟังหน้ากุฏินะคะถ้ามีแฟนแล้วจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรให้บรรลุธรรม พร้อมๆกับครองหลักเป็นคู่บุญคู่บารมีกันได้ค่ะคือมันทางธรรมนี่มันต้องทางเดียวไปเดียวถ้าไปคู่กันนี่มันจะกลายเป็นนิวรมันจะคอยขวางกั้นทางไปนิพพานดังนั้นถ้าจะไปทางนิพพานก็ต้องไปแต่ไปไปไปปฏิบัติอยู่คนละเทียดีกว่า ก็อยู่ใกล้กันแล้วมันจะอดหว่วงอดกังวลกันไม่ได้เวลาทําสมาธิมันจะเป็นอุปสรรคต่อการทําทใจให้สงบอย่างประว่าิของหลวงปู่พรมเนี่ยหลวงปู่พรมท่านเป็นลูกศิษย์หลงปู่มั่นแล้วท่านก็เป็นอาจารย์ของพระอาจารย์เปลี่ยนที่เชียงใหม่หลวงปู่พรหมท่านก็เป็นเศรษฐีชาวนาชาวไร่อรรยาก็ท่านก็ปฏิบัติธรรมคู่กัน พอท่านพร้อมที่จะออกบวชทั้งคู่ท่านก็ประกาศยกทรัพย์สินสมบัติให้ชาวบ้านให้คนที่เขาไม่มีไปมารับไปใครไม่มีวัวก็มาเอาไปใครไม่มีควายก็มาเอาไปใครไม่มีที่ก็มาเอาไปท่านยกให้หมดแล้วตัวท่านกับภรรยาก็ไปบวชแต่ไม่ได้ไปปฏิบัติอยู่ร่วมกันแยกกันไปกรกทิท่านก็ไปอยู่กับหลวงปู่ม่านไปศึกษาภรรยาท่านก็อยู่วัดของของท่านไปนั้น ถ้าเราออกบวชแล้วเราต้องตัดเรื่องความเป็นคู่กันแล้ว ใ, ให้เป็นกัลรรยาณิมิตรไปให้เป็นเพื่อนกันแล้วก็มีโอกาสก็เยี่ยมเยียนกันได้บ้างอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทำนองนี้แต่ถ้าไม่ได้เป็นอะไรก็ต่างคนก็ต่างอยู่ไปอย่าไปห่วงกันอย่าไปกังวลถึงกันต้องถือว่าสถานภาพเดิมที่เคยเป็นคือเป็นคู่ครองอันนั้นมันสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่เราออกบวชกันแล้วคำถามต่อไปจากผู้รับฟังน้ากุฏิค่ะถ้าเรามีภาระนี้สินเลี้ยงดูครอบครัวในวงเล็บเสาหลักของบ้านในขณะที่เราก็ต้องการทำตามคำสอนที่ไม่อยากให้เรามีความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือกิเลส เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้เป็นกลางในการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมในหลวงรอ9าท่านก็สอนให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงคือเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายมากน้อยเท่าไหร่เราก็ต้องหามาให้พอกับกับค่าใช้จ่ายของเราแต่ไม่ให้ฟุไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้หรูหราให้เรียบง่าย เช่นถ้าเรามตีต้องเลี้ยงคนเลี้ยงตัวเราแล้วก็หามาตามตามค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องมีแล้วก็ จ, จะหาเผื่อไว้วันเผื่อวันไม่สบายหรือ ว, วันที่ไม่มีรายได้มาเป็นเงินเงินทุนสำรองบ้างแต่ไม่ได้หามาแบบให้ร่ำให้รวยให้ไปแข่งกับคนอื่นเขาามีร้อยล้านเราก็ต้องมีร้อยล้านเลยทำอย่งนั้นเอย่าไปใช้แบบนั้น หาดูตามความจำเป็นเรามีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายมากน้อยเพียงไรก็หามาแล้วก็มีเผื่อไว้บ้างไว้สำรองบ้างเท่านั้นก็พอคำถามต่อไปจากย t u b e นะคะจากคุณนัฐการนุ ด, ดแก้วมากราบในมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงการที่เรานำพระพุทธรูปที่บ้านนำกลับมาถวายคืนวัดเพราะมีเยอะแล้ว เป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่คะก็แล้วแต่วัดเนี่ยถ้าวัดเขาอยากได้ก็มันก็ดีสําหรับวัดนั้นแต่ว่าไหนที่เขาไม่อยากได้เอาไปให้เขามันก็เป็นภาระกับวัดนั้นไปเขาไม่อยากจะมีบางวัดเ้าไม่นิยมวัตถุนิยมท่านวัดป่านี่ถ้าเข้าไปดูสังเกตดูจะไม่ค่อยมีวัตถุเท่าไหร่มีพระพุทธรูปก็องค์เดียววัดป่าวัดตานี้มีพระพุทธรูปภาพประธานอยู่ที่ศาลาอยู่องค์เดียวเท่านี้ ฉันนั้นก็ไม่มีไม่ได้สร้างเต็มทั่ววัดไปหมดเดินไปทางซ้ายทางขวามีพระพุทธรูปเต็มไปหมดอันนั้นมันมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าความจริงมันพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่การปฏิบัติธรรมอยู่ที่ธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อไหร่ก็เห็นพระพุทธเจ้าเมือนนั้นฉะนั้นทางวัดปฏิบัติเขาจะไม่นิยมเรื่องวัตถุทลายวัตถาวรวัตถุต่างๆวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆ ท่นนิยมการปฏิบัติทำเป็นหลักดังนั้นเวลาจะาไปไว้ที่วัดไหนก็ต้องสังเกตดูถามวัดเขาดูว่าเขาอยากได้ไหมต้ไว้ดเขาอยากได้ก็ไปบริจาคที่วัดเขาอยากได้กันคำถามต่อไปจากคุณโว บ, บีทีพระอาจารย์ครับในปฏิบัติอาศัยเพียงรูปฌานก็เพียงพอแล้วใช่หรือไม่ครับดังนั้นผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้อารูปฌาน ก็ไม่ต้องตัดอรูปราคะซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องสูงถูกต้องคือรูปราคะกับอรูปราคะก็สำหรับผู้ที่เข้าถึงรูปราคะหรืออรูปราคะผู้ที่ไม่เข้าถึงอรูปราคะก็ยังไม่มีความติดอยู่ในอรูปราคะอยู่แล้วเพราะไม่ได้เข้าไปถึงขั้นนะัออ้นก็ไม่ต้องตัดสังโยชน์ตอนนั้นก็ไม่เกี่ยว คำถามต่อไปจากคุณเลิฟขอโอกาสถามพระอาจารย์ว่าในวันเกิดทําบุญวันเกิดหรือทําบุญทุกวันทุกวันมีผลบุญเหมือนกันไหมเจ้าค่าขอขอพระคุณมากเจ้าค่ะเหมือนกันการทําบุญนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าวันเป็นวันอะไรบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ทํทมากทําน้อย ทำบุญวันเกิดร้อยบาทแล้วทำบุญวันไม่เกิดพันบาทนี่วันไม่เกิดนี่ได้บุญมากกว่าไม่ไ <c> ด <oughs> ้อยู่ที่วันอยู่ที่ปริมาณของการทำบุญทำบุญน้อยก็ได้น้อยทำบุญมากก็ได้มากเช่นบางทีคนชอบมาทำบุญวันสำคัญเช่นวันมาฆะวันวิสาขะแต่ทำนิดเดียว ค, คนที่เขาวันทำวันธรรมดาแต่เขาทำเยอะ นมันอยู่ที่การทํามากทําน้อยบุญอยู่ที่การปริมาณของการเสียสละของเราเสียสละมากก็จะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจมากเสียสละน้อยก็มีความรู้สึกอิ่มใจน้อยสุขใจน้อยคําถามจากเฟซบุ๊กนะคะจากคุณดวงเดือนสีสงครามการนั่งสมาธิ การเจริญพระกรรมฐ า, านและการเจริญจิตภาวนาแตกต่างกันหรือไม่เจ้ า, าคะมันมันเป็นชื่อที่พูดแล้วมันบางทีเราไปใช้รวมกันแต่มันมีความหมายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันสมาธิก็คือความนิ่งของจิตนั่งสมาธิก็พยามจิตให้นิ่งอะไรอะไรนั่งสมาธิการภาวนานี้คือเป็นการปฏิบัติจิตซึ่งมีแบ่งเป็นสองระดับ สมัตภาวานาก็คือสมาธิแล้วก็วิปัสนาภาวานาก็คือการเจริญปัญญาเ mm hmm. ั้นถ้าถ้าว่าตามความหมายแล้วมันก็ไม่เหมือนกันสมาธิก็หมายถึงความนิ่งตั้ ง, น, งนิ่งสงบของจิตก็เรียกว่าสมาธิการภาวานาก็เป็นการปฏิบัติจิตพัฒนาจิตใจด้วยสมัตและวิปัสนาคำถามต่อไปจากคุณอาจารย์รี ขอพระอาจารย์โปรดเมตตาแนะนำวิธีการปรับปรุงตนเองอย่างไรไม่ให้เป็นคนขี้โมโหหูดหงิดง่ายไม่พอใจง่ายเนื่องจากการกระทาของผู้อื่นค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราทำตัวต่ำต้อยที่สุดทำตัวเหมือนปัตภีเหมือนแผ่นดินแผ่นดินนี่มันเป็นของที่ต่ำที่สุดใครจะทำอะไรกับแผ่นดินนี้แผ่นดินก็ไม่เดือดร้อน ใครจะทิ้งขยะใส่แผ่นดินใครจะอุจจาระปัสสาวะใส่แผ่นดินแผ่นดินก็รับได้ทําใจให้หนักนั่นเหมือนแผ่นดินทําใจให้ต่ําต้อยเหมือนแผ่นดินอย่าไปทําตัวคิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่แต่ต้องไม่ได้ใครพูดอะไรนิดหน่อยใครเขาแนะนำอะไรหน่อยก็โกรธแล้วบางทีเขาหวังดีเขาบอกเราทําไม่ถูกก็บอกแค่นี้เราก็โกรธแล้วเพราะเราถือตัวว่าใครมาว่าเราไม่ได้ใครมาสอนเราไม่ได้ใครมาบอกเราไม่ได้ งั้นพยายามหัดทำตัวให้เป็นแจวว่าแล้วกันเวลาเป็นแจวนี่เจ้านายสั่งอะไรข้าอย่างเดียวข่าข้าขับผมคําคำถามจากคนเดิมนะคะเป็นคนคิดมากน้อยใจผู้อื่นอยู่บ่อยครั้งทำให้ทุกใจพระอาจารย์โปรดเมตตาสอนเจ้าค่ะ พราะเราไม่มีความสุขในตัวเราเองเราก็เลยไปหวังความสุขจากคนอื่นพอะเขาไม่ให้เราเราก็น้อยใจเสียใจฉั้นอย่าไปหวังอะไรจากคนอื่นถ้าไม่อยากจะน้อยใจเสียใจเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจน้อยใจขึ้นมาแต่ถ้าเราหาความสุขในตัวเราเองได้เราก็ไม่ต้องไปหวังอะไรจากใครใครจะให้เราเราก็ ก็รับไปใครจะไม่ให้อะไรเราเราก็เฉยไปไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรามีความสุขอยู่เหมือนเดิมเขาให้เราเราก็มีความสุขอยู่แล้วเขาไม่ให้เราเราก็มีความสุขอยู่แล้วยิ้นหัดมาสร้างความสุขในตัวเราด้วยการปฏิบัติธรรมดีกว่าเราต่อไปเราจะไม่น้อยใจเราจะไม่เสียใจเพราะเราไม่หวังได้อะไรจากใครมีคำถามคาสุดท้ายนะค่ะคำถามจากคุณตไตรปนิสา น้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเวลาเราทำบุญอะไรก็แล้วแต่เราอุทิศบุญเราให้ใครเราต้องระลึกนึกถึงชื่อผู้ที่ต้องการอุทิศให้เขาถึงจะได้รับทางกลับกันเราเป็นคนทำเราต้องเอ่ยชื่อเราไหมคะว่าเราเป็นคนทำหรือบุญเป็นอัตโนมัติคะว่าบุญจะเป็นของคนทาเลย คือบุญนี้ที่ทําเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์ซ็นเป็นของคนทําอยู่แล้วแบ่งให้คนตายไปได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นนั่นอท่านเปรียบเทียบว่าบุญที่เราอุทิศนี้เหมือนเป็นเศษน้ําที่ติดอยู่ในแก้วหลังจากที่เราเทน้ําออกหมดแล้วมันยังมีเศษน้ําติดอยู่นิดหน่อยนั่นแหละคือบุญอุทิศเราก็ต้องบอกบุคคลที่เราต้องการอุทิศว่าให้ใครว่าให้พ่อให้แม่ให้ใชายให้คนนั้นคนนี้ให้พี่ให้น้องเราก็ต้องว่าไป ดังนอย่าไปหวังบุญอุทิศมากบุญอุทิศนี่เป็นเหมือนกับเป็นเป็นของที่มาขัดความมาบรรเทาความทุกข์ชั่วระยะสั้นๆเท่านั้นเองให้มันบรรเทาความทุกข์ความหิวโหยได้บ้างเท่านั้นเองดังนั้นเราอย่าไปหวังเรื่องทางบุญอุทิศมากเราควรที่จะรีบสร้างบุญไว้แต่บัด น, นี้ดีกว่าเพราะเราทําตอนนี้เราได้ร้อยเปอร์เซ็นเลย แต่ถ้าเราไปรอให้ญาติพี่น้องส่งบุญมาให้เรานี้เราได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวแล้วก็จะต้องมาคอยรอรับอยู่เรื่อยๆเขาก็ไม่มาส่งบุญให้เราเรื่อยๆหรอกบางทีเขาก็ <laughs> เขาก็มีธุระป่าปังไปทําอะไรอย่างอื่นยังนลวงตาท่านบอกให้ทําบุญตั้งแต่ก่อนตายอย่ามาให้พระส่วนบุญทําบุญให้กับเราญาติโยมทําบุญให้กับเราหลังจากที่เราตายไปแล้วกุศลานี่คือความฉลาดฉลาดก็คือให้เราสร้าง บุญกุศลเสดตั้งแต่บัดนี้ก่อนที่เราจะตายกันแล้วเราจะได้ไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมารอรับบุญของใครเพราะเราจะเป็นเศรษฐีบุญเราจะไปเป็นเทวดาไปเสพลูกทิพเสียงทิพของเทวดากันเอาล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ